ก็หมายเวาว่าให้แสดงตัวถ้าจู2นิ้วก็เห็นชอบถ้าจูสามนิ้วก็ไม่เห็นชอบนี่คือวิธีผ่านร่างกฎหมายแต่แม้กระนั้นมันก็หลุดออกไปในลิปกับในเฟ e บุ o กหนะ่นี่ก็คือมติที่เราที่มีการผ่านร่างกฎหมายซึ่งไม่ได้ใช้วิธีการที่แตกต่างพิสดารอะไรครับการฝึก่าคอนสัตมนัน ตัวการที่มา ก, กฎหมายของสภาเป็นเคลียร์ประชาชนก็ลดความเชื่อถือร่ามร่างเดีดนี้นี่ราก็ตามซึ่งเป็นฝั่งเป็นสุดท้ายถูกเสนอเข้าสู่สภาท่านก็จะสามารถลำดับเหตุการณ์ได้นะครับเพว่ามันนํามาสู่วิกฤตการทางการเมืองในการนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งเป็นวิกฤตการที่รัฐบาลสร้างมาเองกับมือนะแล้วอย่าพูดเหมือนเราเป็นคนปัญญาอ่อนนะเพราะว่านี่เป็นเรื่องของสอส เป็นเรื่องของสภารัฐบาลไม่เกี่ยวเพราะว่าท่านนายกก็คือสสบัญชีรายชื่อลาดับที่หนะึ่งของพรรคที่ท่านอยู่นะครับส่วนการที่รัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับซึ่งไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลอยู่ไม่ได้ประเทศจะอยู่ไม่ได้ด้วยนะครับรัฐบาลมาแล้วก็ไปหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแปดสิบปี เรามีรัฐบาลมาแล้วไม่ น, อน้อยละเจ็ดสิบชุดนะประเทศก็เดินต่อไป <c oughs> เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าอยากอยู่นานก็ทำอะไรให้มันดีๆอย่าไปเห็นว่าประชาชนเป็นคนโม่งนะตอนนี้รัฐบาลเดือดร้อนจากปัญหาซึ่งรัฐบาลสร้างขึ้นมาเองอุท <c oughs> ิสภามีหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ประชาชนไม่ได้มีหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของรัฐบาล ผลปรโยชน์รัฐบาลกับผลประโยชน์ของประชาชนและผลประโยชน์ของชาติมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันก็ได้นะครับเราก็ควรจะมีความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็นั่นคือเหตุที่ทำไมร่างพระราช บ, บัญญัตนินิรโกรรจึงเป็นความเส้นสุดท้ายนะครับที่ประชาชนทนยอมรับต่อไปไม่ไหวแล้วและเราก็ไม่สามารถรับร่างพระราชบัญญัตฉบับนี้นะครับตั้งแต่ถึงเรื่องต้นสอสอในรนัฐบาล ทำไมจึงเสนอร่างกฎหมายนี้ถึงเจ็ดร่างอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ชวนให้ตั้งับถามถ้าพรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองจริงๆไม่ใช่ของเล่นส่วนตัวของเจ้าของพัรนะครับพรรคก็ควรจะมีมติให้ยุติกันมาแต่นี้เสนอมาเจ็ดร่างคอยจ่อสอดใส่หรือว่ามีร่างอะไรเหลือเฟือนะฮะตอนเสนอหลักการเหตุผลเนี่ย มันก็ดูดีเพราะว่าจะช่วยเหลือประชาชนที่ไม่รู้หนูนี่นะเป็นเรื่องมนุษยธรรมนะเป็นผงในตอ น, ตนเสนอเข้ามาเนี้นะครับพอถึงวาระสองก่อนพอิจาาผ่วงเวลาไปสองเดือนรอจังหวัดนะครับขั้แสตมป์สก็แก้กันจนเลิศเลือกนะจากที่เสนอเข้ามาสวยงามเป็นผงเนี่ผ่านคณะกรรมการทําข้อออกมา กลายเป็นตัวมังกรทองตัวกินไก่ไปเลยนะใครทำครับอันนี้ใครทำทำให้กฎหมายเนี่ยมันหน้าตาออกมาเป็นแย่นี้เนี่ยใครทำตั้งต้นดีนักหนานะฮะทำผ้าจะเป็นสุนักทิ้งจอบใจมีหอข อ, องฝันไปปวยพรปีใหม่กับไก่อ้วนดีนะฮะพอถูกจับได้ตอนตีสี่ขึ้นนะครับคาบไก่คาปากอยู่เลย นะอุตส่าห์ห้ามถ่ายพทอการประชุมแล้วนะประชาชนออกมาล้องเองครกว่าจับตัวกินไก่ได้แล้วนะให้สัมผัสขอให้เมตตาให้อภัยกันปลอมล้อมนะอยากให้บัานเนมืองสงบดาม่ามากเลยถนะึงตอนนี้ยอมทุกอย่างุัิสภาจะาคว่ำจะแก้จะมอบถุพันธุ์หงษ์ทองคําหรือจะแก้ไขยังไงยอมทุกอย่างนะตอนยี้ไม่มีวอ พูดอย่างเลยเนะพ <c oughs> อประชาชนออกมาเต็มถนนราดําเนินมีแต่นกหวีผู้นำหญิงก็ออกมาน้ำตาขึนให้รัฐสภาช่วยเอาไก่ออกไปปากขั้ทีนะเดี๋ยวประเทศจะวิกฤตเดี๋ยวประเทศจะมองเลือดเดี๋ยวประชาชนประชาชนจะเอานอกหวีไปใช้ตังอาวุธลุน้นเลยเนี่ยประเทศชาติจะเสียหายใครจะรับผิดชอบ ก็รัฐบาลเนี่ยมีรัฐบาลไว้ทําไมเรามีหน้าที่ช่วยรัฐบาลหรือช่วยประชาชนลำดับความสัมพันธ์ก่อนหลังนี่มันยังไงกันแน่นะครับวุฒิสภาไม่ได้มีหน้าที่ตั้งรัฐบาลหรือล้มรัฐรัฐบาลอะไรของใครเขานะประชาชนเลือกเรามาก็เพื่อให้มาตรวจสอบรัฐบาลร่างพระราช บ, บรรัญญัตินิ่เราโทษนี้ใครเสนอสอสอรัฐบาลเสนอใครสอบได้แก้สอ ส, อสอรัฐบาลใครลงมติรับร่าง ต่อรัฐบาลใครออกมติพักใครฝากฝืนจะไม่ลงสมัครรักเบอร์กันกอตว่าไม่ได้ยินเสียงของข่นี้นะฮะทั้งที่เป็นเสียงของขูที่ขัดต่อคำปฏิญา ต, ตัวเมื่อเราเข้ารับหน้าที่ใช่ไหมครับก่อนเป็นรัฐบาลใหม่ๆโอ้ยเราไม่มีนโยบายไม่เคยคิดนำเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมผ่านมาสองปีกต่ว่าคนลืมเนีโกหกบ่อยจทําเรื่องโตที่โต ปกไว้กอนหน้าไม่ได้นะฮะทั้งหมดนี้รัฐบาลรีบเริ่มเองลงลึกสุดสอยเองนะฮนะท้าทายตลอดนะฮะเสียงข้างมากทําอะไรไม่เคยผิด ค, คิดว่าเสียงข้างมากกับความถูกผิดเป็นเรื่องเดียวกันตอนนี้ก็เลยเรียกแขกได้ทุกสาขาอาชีพนะครับผมก็ไม่รับหลักการร่างรัฐนี้อยู่แล้วนะครับแต่อนานาจของมุทิตาภาเป็นอนานาจกันกองยับยัง้งรายชั่วเผ่าร้อยสิ เท่านั้นนะครับผู้รับผิดชอบแก้ไขที่แท้จริงก็คือรัฐบาลรัฐบาลนะครับไม่ใช่ใครอื่นนะขอบคุณครั บ, รบท่านผอนะแล้วก็ผมขอบบอกอีกห้าหรายนะก็คือต่อย ท, ท่านผอท่นบุญเทียนบุญตันนะครับท่านเชนฐานฤทธิสายอาจารย์ขอบคุณ